วันนี้นับคนได้ห น, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบคนพิงงานอีกสองคนแสดงอีกคนเป็นสิบสามคนที่บ้านเข้ามาเท่าไหร่นะอันนี้เดบลูร้อยสิบร้อยสิบสอง 110, นะครับยังไม่มีใครเข้าอ่านงานชัดไหมชัดครับเสียงชัดภาพชัด ใครอยากจะมีอะไรส่งเข้ามาได้นะวันนี้ยังไม่อยากจะพูดอะไรใครอยากจะถามอะไรก็ถามไดม้มีคำถามเข้ามาไหมยังครับยังผู้ที่รอคิวก็จะได้ไม่ต้องรอวันนี้ให้คิวคิวแรกเลย พอเห็นคนที่มาเนี่ก็คนหน้าเก่าๆนะไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังนะพูดจนหูฉี่ก็ฟังจนหูฉีก็กิเลสไม่ยอมฉีกตามหูไงฟังเทศฟังธรรมหูฉีกไม่ได้ต้องกิเลสฉีกผู้ชมที่ดูบอกว่าจักทังภาพทั้งเสียงจากกรุงเทพเลยครับอ่าดีอส่งข่าวก็ส่งข่าวก็มาได้นั้นอยู่ที่ไหนบ้างอ่า รายงานการถ่ายทอดบ้างก็ได้วันนี้ YouTube ก็มีนะถ่ายทอดสดทั้ง YouTube ทั้ง f a c e b o o เอได้คำถามจากผู้มาประสงค์ออกน้ำนะคะข้อที่หนึ่งช่วงนี้หนูนั่งสมาธิได้ไม่นานเหมือนเมื่อก่อน พอนั่งไปมันจะรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มเหมือนจะง่วงหนูก็พยายามพุโทโธพุโทโธแต่ดูเหมือนจะยิ่งง่วงทั้งที่ผ่อนอาหารบางทีผ่อนหลายวันก็ยังมีอาการแบบนี้บ่อยครั้งรู้สึกหดหิดอาการแบบนี้และส่วนใหญ่หนูจะแก้ปัญหาด้วยการลุลกมาเดินจงกลมพยายามให้มีสติอยู่กับพุโทโธแทนแต่ก็เป็นกังวลว่าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตคงจะไม่รวมสักทีเพราะนั่งนานไม่ได้ กีเคอยแต่จะดันให้ลุกหนูจะแก้ปัญหาอาการเพิ่มๆระหว่างนั่งสมาธิอย่างไรคะก็ต้องกลับมาเดินก่อนนะกลับมาเจริญสติให้มากๆก่อนเดินทีหลายๆชั่วโมงเลยสองสามชั่วโมงไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปสามชั่วโมงแล้วลองกลับมานั่งใหม่ที่มันนั่งแล้วมึนง่วงก็หนึ่งมันก็เป็นเพราะว่า อาหารมันยังไม่ได้รับการพลังงานที่รับประทานไปยังไม่ได้รับการเอาไปใช้ mm hmm. ก็เอามาเดินเผาผลาญพลังงานแล้วสองจะได้มีเวลาสร้างสติปัญหากลัวมันเวลาปฏิบัติมันน้อยจะมานั่งอย่างเดียวนี่มันก็จะง่วงเพราะว่าเราไม่มีสติ ที่จะสู้กับความง่วงได้เั้สิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็คือสติควรจะพุโทโธไปตลอดทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราจะมานั่งอย่างเดียวต้องพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธลุกขึ้นยืนก็พุโทโธเดินไปเข้าห้องน้ำก็พุโทโธ ทำอะไรในห้องน้ำก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นต้องคิด uh, คิดแต่เรื่องที่จำเป็นจริงๆอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้ออย่าไปคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวมันต้องอย่างนี้มาถึงนั่งถึงจิตถึงจะรวมได้ ถ้าม า, มาพุโทโธตอนนั่งแล้วไม่มีวันไม่มีทางบะมันไม่มันจะไม่ยอมพุโทโธนั่งแล้วมันก็จะคิดไปคิดมาหรือไม่ไงั้นมันก็ง่วงถ้า ง, ง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนถ้าขันอาหารยังง่วงอยู่ก็ต้องอดอาหารเลยอย่าไปกินมันทั้งวันเลยดื่มแต่น้ำน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ น้ำปานะแต่อย่าไปดื่มมากเกินไปะอย่าไปดื่มแทนอาหารดื่มพอประครับประคองให้ร่างกายมันอยู่ได้คิดสต่ว่าเราไปหลงทางอยู่ในป่าไม่มีข้าวกินก็แล้วกันมีแต่มะพราะ้าวมีแต่ผลไม้ก็เดือดแต่น้ำผลไม้ไปอย่าไปกินเนื้อมันกินเนื้อเดี๋ยวมันก็อิ่มเอกดื่มแต่น้าไป อันนี้ต้องอ่ต้องใช้เวลาหน่อยเวลาปฏิบัติถ้าปีวัแนแค่วันละชั่วโมงแล้วมานั่งอย่างนี้มันก็ร้อยร้อยทั้งร้อยเหมืนการง่วงนู่นอันต้องมีเวลาเจริญสติให้มากอย่างนั้ น, นการจะปฏิบัติได้ผลมันต้องไปปฏิบัติแบบต่อเนื่องสามวันห้าวันอย่างนี้ แล้วก็พุโทโธไปทั้งวันเลยเดินก็พุโทโธนั่งกับพุโทโธสลับกันไปเดินจงกกงก็พุโทโธไปนั่งก็พุโทโธไปถ้าทํารักษาวันห้าวันนี้มันมันจะได้ผลถ้าง่วงก็ไม่ต้องกินข้าวเลยอดไปเลยแต่ถ้ามานั่งวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วหวังที่ให้จิตรวมวก็ ก็เพ้อฝันหนันะ้นอ่ะอ่ะมีอะไรไหยข้อที่สองหนูพยายามสํารวมอินซีแต่รู้เหมือนจะมีข้อจำกัดเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องพบปะพูดคุยกับคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เผลอพูดคุยเลยเถิดเกินเรื่องที่จำเป็นผลคือคุยเสร็จแล้วฟุ้งซ่านกว่าจะกลมใจให้เป็นปกติก็ใช้เวลานาน ตอนนี้หนูพยายามมีสติระวังใจพยายามพูดเท่าที่จำเป็นและพยายามระงับความฟุงงซ่าหลังจากคุยให้ใช้เวลาสั้นลงหรือพยายามวางให้ได้หลังคุยเสร็จซึ่งบางครั้งก็ก็วางได้บางครั้งก็ใช้เวลากว่าจะวางถามว่าหนูปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะขอหลวงพ่อเมตตาให้อุบายแนะนำก็อย่างที่บอกนะไปอยู่คนเดียวไม่ต้องไปเจอใครไปเปกเวยวกอ่าสามวันห้าวัน หรือสามปีห้าปีเลยก็ได้ไม่ต้องไปเจอใครอถ้าอยากจะได้ผลทางนี้มันต้องเอาอย่างนี้เออยู่กับทำไมทางโลกอยู่ทั้งโลกมันก็ได้แต่เรื่องวุ่นวายถ้าอยากต้องการความสงบก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปเปรกเว้เวลามาทํากิจกรรมร่วมกันก็ไม่คุยกันทําทํากิจกรรมไปเสร็จก็แยกกันไป อาวัดป่าก็ทํากันอย่างเนี้ยพระที่อยู่ในวัดนี่เวลามาทํากิจกรรมร่วมกันก็ไม่คุยกันะบินฑบาดก็ไม่คุยกันฉันก็ไม่คุยกันร่างบาดปัดกวาดทาอะไรก็ไม่คุยกันเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิจะพักก็เฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ผลต้องปฏิบัติแบบนี้ะ ถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้แล้วไม่มีวันที่จะได้ผลนะวันแล้วเนี่ยมีคำถามจากบเฟซบุ๊กเข้ามาอสองคาถามครับคำถามแรกจากคุณมีศรรักนะครับสมัยก่อนผมเคยทำกรรมไม่ดีไว้เยอะแต่ตอนนี้ผมสำนึกแล้วตั้งใจรักษาสิงห้าไปตลอดชีวิตสวดมนต์นั่งภาวนาทุกวันเลยครับ แล้วผมจะต้องรับกรรมที่ทำไว้เมื่อก่อนหรือเปล่าครับกรรมใดที่ทำมันไว้มันถ้ายังไม่ได้ส่งผลมันก็ต้องส่งผลเพียนแต่ว่าจะมันจะส่งผลเมื่อไหร่แล้วจะมีความจะกระทบกระเทือนใจเราได้มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่บุญที่เราทาในปัจจุบันนี้ mm hmm. การทำบุญในปัจจุบันนี้เป็นเหมือนกับการไปซื้อกะกัรสนุนกะการสนุนมาใส่การกรสุนมาใส่ ถ้าเรามีเกาะกันกระสุนเวลาเขายิงเรามันก็ยิงไม่เข้าแต่เราไปห้ามเขาไม่ให้ยิงเราไม่ได้เพราะเราไปทําเขาแล้วเราไปยิงเขาแล้วเขาก็ต้องมายิงเราแต่ถ้าเราไม่อยากจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราก็ไปซื้อเกาะกันกระสุนมาใส่แล้วยิงก็ยิงไม่เข้า อ, อบุญที่เราทํากันในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการซื้อเกาะกันกระสุนออพอกรรมเก่าที่เราทําไว้มันปรากฏขึ้นมามันก็จะ ไม่สามารถมากระทบกระเทือนใจเราได้แต่มันอาจจะกระทบกระเทือนกับร่างกายเพราะร่างกายเราไม่มีอะไรที่จะบังกัมได้เช่นไปตีหัวเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหาเวลามาตีหัวเราแต่ถ้าเรามีบุญเราก็ใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรามีบุญเรามีอุเบกขาเราทําใจว่าจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว แต่ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำใจอย่างนี้แล้วเราพร้อมที่จะรับผลของกรรมมันก็จะกระทบกระเทือนแค่ที่ร่างกายแต่มันจะไม่กระทบกับที่ใจเพราะใจพร้อมที่จะรับกรรมอันนี้คือการสร้างบุญในปัจจุบันสร้างเพื่อรับกับบาปกรรมที่เราทำในอดีตได้แต่ไปทาบุญแล้วไม่สามารถไประงับบาปบาปกรรมที่ทำในอดีตได้ บ, บาปกรรมหรือบุญที่ทำไว้มันจะต้องส่งผลทั้งสองอย่างบุญก็ส่งผลบาปก็ต้องส่งผลคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอ๊อฟนะครับถ้านั่งสมาธิก่อนนอนเลยโดยที่ไม่ได้สวดมนต์และเดินจงกรมจะได้ไหมครับได้ได้ทั้งนั้นะไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องเดินก็ได้ขอขอให้นั่งแล้วมันมีสติเท่านั้นนะถ้านั่งไม่มีสติมันก็ ถ้าไม่ฟุ้งก็หลับมันไปสองอย่างไปสองทางมหมดแล้วเหรอทยอยเข้ามาเรื่อยๆรยยายงานด้วยก็ได้ภาพเสียงเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยากจะรู้จากบ้างมีทั้งนิวซีแลนด์มีทั้งความแก่นด้วยครับอ่บาแล้สมสุขนะครับเราจะคิดอย่างไรถึงจะออกไป เราจะคิดอย่างไรถึงจะออกไปอยู่ไปปฏิบัติธรรมได้เจ้าคะ่ะคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ลืมความตายนี่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปหาเงินไปทํำไมอยู่ไปแล้วตายไปแล้วเอาอะไรไปได้ต้องคิดถึงความตายแบบจริงๆอย่างจังเนี่ยก็คือคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้นะมีใครรับประกันชีวิตเราได้ไหม เาจะอยู่ถึงวันนั้นถึงวันนี้แม้บริษัทประกันชีวิตเขาก็ไม่ประกันชีวิตเราเขาประกัน เ, เงินทองที่เราจะไม่สามารถหามาได้เป็นคนที่เขาคนที่เราเลี้ยงดูถ้าเกิดเราตายไปบริษัทประกันชีวิตเขาก็รับมารับประกันจะจ่ายเงินเลี้ยงดูคนที่เราเลี้ยงดูต่อไปอแต่แต่ชีวิตของเรานี้ไม่มีใครมาประกันได้ ต่ให้ไปซื้อประกันชีวิตเขาก็ไม่รับประกันว่าชีวิตของคุณจะอยู่ถึงวันนั้นวันนี้ไอ <Yeah. S 1> <I S 2> คิดเสมอว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงที่จะไปอยู่แบบที่เราอยู่กันทุกวันนี้ <Yeah. S 1> อยู่ไปทุกวันนี้มันได้อะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก็ได้กับความสุขเล็กๆ <Yeah. S 1> น้อยๆผสมกับความทุกข์เยอะ เวลาทุกทีก็โอ้โหร้องห่มร้องไห้เคียดกันดีไม่ทีไม่อยากจะอยู่แล้วทุกข์มากๆอยากจะข่าตัวตายเสียอีกแ้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมความตายแล้วมันก็จะได้หายหลงหายอยากที่อยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คน น, คนนั้นคนนี้แล้วมันก็จะทำให้เราอยากจะ มาปฏิบัติธรรมกันอยากจะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะทำให้ใจของเรานี้แข็งแกร่งทำให้ใจเรากล้ า, าหาญทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับความตายจะทำให้เรามีความสุขอยู่เฉยๆไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยยากแค่ น, นันเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนท่านอนให้เราลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ตายไม่ลึกไม่ไม่ระลึกปับ๊บมันลืมเลยลืมตายเลยนันต้องคิดอยู่เรื่อยว่าเราต้องตายเราต้องตายเราต้องตายฮะอาจจะตายเดี๋ยวนี้ว่าตายวันนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ก็ตายวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาตายเขาจะตายวันนี้ก็ได้เชื่อเอมคนบางคนนี่อายุยังดียังไม่กี่ขวบเลยเดินข้ามถนนรถชนตายแล้วก็มีนั่งรถไปรถคว้างตายก็มี เดินไปไปเจอลูกหลงเขายิงกันยิงไปถูกเราเข้า้ตายไปก็มีไปถามพยาบาลที่โรงพยาบาลเี่ยมีพวกที่เขาไปกันมีใครที่ว่าจะไปโรงพยาบาลกันบมื่อวันนี้ห <c oughs> ัดคิดแบบนี้มั่งคิดตามความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้เรากลัวไม่อยากจะอยู่ทําให้เราจะได้หาทางออกกันหาทางไป การปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นที่พึ่งของใจเราจะทําให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่หว่นไหวกับความเป็นกับความตายจะทําให้เราไม่หิวโหวยไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆได้มาแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้รักษามันไว้ก็ไม่ได้เวลาตายไปหามามากน้อยเพียงแต่กลายเป็นของคนอื่นหมดเลย ซื้อรเบนใหม่ๆ ม, มาเกิดตายวันนี้คนอื่นเขาก็ยิ้มซื้อไอโฟนรุ่นใหม่เดี๋ยวออกเดี๋ยวตายไปวันนี้เขาคนอยู่ก็ยิ้มนะดังนั้นให้คิดถึงความตายแล้วรับรองได้ว่าจะ <c oughs> หายหลงทุกวันนี้เราลืมตายกันลืมความตายกันเราคิดจะอยู่กันเท่านั้นเองไม่มีใครคิดว่าจะตายกันคิดว่าเป็นซูเปอร์แมนกันทุกคน มันถึงทำให้เราหลงกันทำให้เราวุ่นวายทำให้เราทุกกับการอยู่กันถ้าเราคิดถึงความตาย บ, ายบาย่อยๆแล้วเราจะไม่ทุกกับการอยู่แล้วก็ไม่ทุกกับความตายเพราะอยู่แล้วก็อยู่แบบสบายอยู่แบบไม่โลภตายก็ตายแบบไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องตายและสิ่งที่ตายมันเราก็รู้ว่ามไม่ใช่ตัวเราของเรา เราเป็นเพียงผู้ที่มาครอบครองมันชั่วข่าวเท่านั้นคือร่างกายของเรานี่มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราใช้มันเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆตามความหลงของเราพอเราไม่หลงแล้วเราก็เลิกหาเลิกใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆหามาแล้วเดี๋ยวก็เอาไปไม่ได้สู้หาสิ่งที่เราไปได้ดีกว่าสิ่งที่เราไปได้ก็คือธรรมเนี่ย ศีลสมาธิปัญญานี่คือสิ่งที่เราจะอาติดตัวไปกับเราได้ให้เราสร้างกันมากๆสร้างศีลสร้างสมาธิปัญญาแล้วอนาคตคือภพชาติต่อไปถ้ายังไม่สิ้นสุดถ้าไม่ถึงการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นสุขคติไปตลอดจะไม่ไปทุกขคติทุกขคติก็คืออบายสุขคติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆ สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์พระอริยเจ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกุศลต่อบุญกุศลนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนั้นขอให้พยายามเมื่อก่อนตายแล้วจะทําให้เราเลิกหาสิ่งที่ไม่ควรจะหาแล้วมาหาสิ่งที่เราควรจะหากันเลิกหาลาบยศสรรเสริญแล้วเราจะได้มีเวลามาหา ศีล ส, สมาธิปัญญากันมหาบุญหากุณโสนกันต่อไปคำถามจากคุณไก่นะครับเนื่องจากงานที่ทำยุ่งมากต้องคิดหลายๆเรื่อง <c oughs> ทำหลายๆสิ่งในเวลาพร้อมๆกัน <c oughs> เป็นเวลานานจนกลายเป็นนิสัย <c oughs> เมื่อลองฝึกนั่งสมาธิแล้วพบว่าเป็นการยากมากที่จะนั่งดูลมหายใจโดยไม่คิดถึงเรื่องต่างๆได้เลย จิตจะฟุ้งตลอดเวลานะขอคําแนะนําด้วยค่ะเนี่ยคําตอบก็มาก่อนคําถามแล้วเนี่ยกลับไปฟังคําตอบที่เมื่อกี้เนี่ยไอคิดถึงความตายบ้างมันเลิมความตายกันมันก็เลยวุ่นวายกับการหากินหาอยู่หาอะไรกันไปแล้วแทนที่จะมีความสุขกับวุ่นวายไอคิดถึงความตายมันก็จะหยุดวุ่นวายไปเองจะไปหามันทำไมให้เหนื่อยยาก ก็หาพอกินพออยู่ก็พอละเอาแบบเพียงพอเรียกเศรษฐกิจเพียงพอพอเพียงยพอมีกินมีอยู่แล้วก็พอแล้วไม่ต้องไปหาอะไรให้มันมากมายกายกองวุ่นวายไปเปล่าๆความสุขจากของต่างๆจากนูดเบนจากคอนโดนี่มันไม่สุขหรอกมันสุขยี่จากการที่เรามีเวลามาทําใจให้สงบนั้นขอให้เรา คิถึงความตายเรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเราจะได้มาหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราให้ความสงบกับเราตอนนี้เราหาแต่สิ่งที่ให้ความวุ่นวายกับเราตลอดเวลาคือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนอันนี้ถ้าพุ่งไปทางนี้แล้วมันก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆ ถ้ามุ่งไปทางศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายถามพวกที่มาอยู่วัดเนี่ยเปนไงมันนุ่งขาวห่มขาวุ่นวายมอืมวุ่นวายก็ต้องวุ่นวายวะที่อยากจะกลับไปวุ่นวายเท่านั้นแหละอยู่เฉยๆมันคันมันต้องมีอะไรเก่ามันต้องต้องมีอะไรเรื่องอะไรมาให้มันคันมันถึงจะได้เออมันจะได้มันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่มีอะไรให้เก่าต้องไปหาเรื่องเก่ากันเอ คำถต่อไปจากแบบคึณฝันนะครับการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้กับการพึ่งพาผู้อื่นได้แบบไหนดีกว่ากันครถ้าให้เลือกสองข้อนี้เราควรเป็นแบบไหนดีครับอ่าก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราพึ่งพาก็ได้ตลอดก็ดีสิมันจะได้หรือเปล่า่ะ ถ้าเขาตายไปก่อนเราเราจะทำยังไงถ้าเรายังไม่ตายเราก็ยังพึ่งตัวเราได้อยู่ดังนั้นการพึ่งตัวเรานี่มันย่อมดีกว่าพึ่งคนอื่นเพราะเราก็อยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราตายเราก็ไม่ต้องพึ่งเราเราก็ไม่มีที่พึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าพึ่งคนอื่นเดี๋ยวเกิดเขาตายไปก่อนเราแล้วเราจะพึ่งใครต่อ แแล้ว่าไม่เคยเข้าวัดเลยมั้งถามปัญหานี้ไม่เคยได้ยินคำว่าอัตตาหิอัตนโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตอนคำถามต่อไปจากคุณจัตุรพรนะครับหนูเพิ่งจะฝึกนั่งสมาธิแต่จิตชอบคุ้งสร้างขออุบายให้จิตสงบหน่อยได้ไหมคะขาดพุทธธรรพุทโธไปก่อนนะฮะจะเริญนสติไปก่อน ทั้งวันเลยก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเพียงอย่างเดียวเหมือนกับขับรถร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแตะเบรกทีใช้มันหยุดเกือบมันเป็นไปไม่ได้ต้องเหยียบเบรกไปได้เรื่อยเหยียบเบรกไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจะลอตัวแล้วก็จอดเองแต่คุณซีเนมนะครับถามถึงเรื่องการระงับกิเลสโทสซาโมหะอย่างง่ายๆในการดำรงชีวิตแต่ละวัน สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้างครับก็ให้เรายินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <c oughs> ความโกรธของเราเกิดจาก <c oughs> ความอยากให้เป็นสิ่งต่างๆเป็นตามความอยากของเรา <c oughs> พอไม่เป็นตามความอยากเราก็โกรธอยากจะให้เขาทำนี่ให้เราหน่อยพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธ แต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่มีวันโกรธเขาขอให้เราอย่าไปอยากได้อะไรจากใครอย่าไปอยากได้อะไรอยากมีอะไรให้ยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่มีวันโกรธต่อไปจากคุณสมศุกนะครับการที่เราจะไปอยู่วัดได้เราต้องมีปัจจัยเราจะคิดอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรเจ้าคะ่ะ เราถึงจะไม่กังวลเรื่องปัจจัยเจ้าคะเพราะถ้าเราไปอยู่วัดปฏิบัติจริงๆเรายังกังวลว่าไม่จะไม่มีปัจจัยคะ่ะ <c oughs> เวลาไปเที่ยวเหม็นกังวลเรื่องไม่มีปัจจัยเลยเวลาซื้อรถเบนซ์ซื้ออะไรเหม็นมีมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองนนพอไปอยู่วัดขึ้นมากังวลเรื่องปัจจัยแล้วไปอยู่วัดถ้าอยากจะอยู่แบบไม่ใช้ปัจจัยก็ไปทางานในวัดสิ วัดเขาก็ยินดีคนที่ไปทําไปอยู่แล้วก็ไปช่วยงานในวัดเขาก็ยินดีให้ข้าวกินฟรีอยู่ฟรีอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกลจะไปอยู่แบบคุณหญิงคุณนายนะถ้าอยู่แบบนั้นก็มันก็ต้องมีปัจจัยมีเงินมีทองแต่ถ้าไปอยู่แบบแจ๋วก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองบางคนได้เงินเดือนจากวัดด้วยเนี่ยบางคนมาอยู่วัดแล้วก็มาช่วยทํางานให้กับวัดเนีย วัดเขาก็เมตตาเขาก็มีหลายจ่ายมีหายจ่ายให้มีมีเงินเดือนให้ฉะนั้นก็ต้องต้องต้องทํางานด้วยแต่แต่ทางานในวัดมันไม่เหมือนกับทํางานที่ข้างนอกมันงานแบบดูแลช่วยเหลือกันทําอะไรให้มันเรียบร้อยไปแล้วก็ปีเวล่ำเวลาไม่ได้ทําทั้งวันทั้งคืนก็มีเวลาไปปฏิบัติได้เยอะแยะไป พระนี่ก็ต้องทงาอํางานเหมือนกันอยู่วัดก็ต้องช่วยปาดกวาดลานวัดช่วยกันกวาดถูสาลาบางทีกุฏิอะไรเสียหายก็ต้องช่วยกันซ่อมไปมันก็ทํากันไปอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้เงินหรอกถ้าถ้าจะไปอยู่วัดจริงๆอย่างแต่ต้องไปหาวัดที่เขาอ่เาเขาเข า, เขาเขาเขาเลี้ยงเราได้เนี่ย แล้วเขายินดีที่จะรับเราคำถามต่อไปจากคุณจินนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ไปร้องเพลงสังเสริญพระบารมีที่สนามหลวงแต่เลือกมาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแทนจะได้หรือไม่ครับได้งูเลยนะเสียงงูงูงเขียว <c oughs> จะลงแง้วอ้าวก็ปล่อยมอยามาแล้ว อ่ลงมาเลยมันก็ลังหายได้กินอยู่าดูสีใครสมาธิดีดดพุโทโธกันเดี๋ยวมันตกลงมาทำไงจะทำให้ลงมาไม่ <c oughs> ก็นั่งเฉยๆเลยมันตกลงมาจะทำอะไรก็ปล่อยมันตกไป <c oughs> ได้การทำบุญมีหลายวิธี แต่บางครัง้งบางคราวมันก็ควรทำในสิ่งที่เขาทำกันเพื่อแสดงน้าใจแสดงอะไรต่างๆไม่ใช่พอถึงเวลาจะทาแบบนี้ก็อ้างว่าฉันไปทำอย่างนุ้นดีกว่าเพราะบางทีฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้นี่มันก็ไม่ควรบางครัง้งต้องการความสามัคคีความพร้อมเพรียงความเป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปทำ ไม่ใช่พอถึงเวลานั้นเร า, าเอกแม้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมของฉันละร้อยปีพันปีไม่เคยไปปฏิบัติธรรมพอถึงเวลาจะต้องไปร้องเพลงสรรเสริญก็จะไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาแต่อย่างนี้มันก็ไม่ควรแต่ถ้าเราเคยปฏิบัติธรรมเป็นนิสัยอยู่เป็นประจำนี้อก็ไม่มีใครว่าอะไรไปปฏิบัติธรรมก็ไปอย่างพระนี่เห็นไหมก็ไม่เห็นต้องไปร้องสรรเสริญอะไรก็ท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู่เป็นปกติก็แล้ว อาก็เห็นต้องไปซื้อเสื้อดํามาใส่ฮะไม่มัก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเขารู้ว่ามันเป็น <c oughs> เป็นการปฏิบัติตามปกติของเขาอย่างนั้นส่วนเรานี่อยู่ดีๆก็ไม่เคยไปปฏิบัติเลยพอเขาไปร้องเพลงสรรเสริญก็อ้างก็ขอบายบายว่าไม่ไปหล่ะจะไปปฏิบัติทำอย่างนี้ถ้ามันทําแบบนี้มันก็ไม่ควร คำถามต่อไปจะคุณพลพิทักษ์นะครับการสวดมนต์มีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับก็เป็นการฝึกสติเวลาเราสวดมนต์แล้วก็เหมือนกับพุโทโธสวดมนต์ก็จะควบคุมใจของเราไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นเด็กนั้นก็จะอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าเวลานั่งให้มันพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธได้ อก่อนจะนั่งถ้ามันนั่งแล้วไม่สงบก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจมันไม่คิดอะไรแล้วถึงค่อยพุโทโธถ้ายังคิดอยู่ก็สวดไปก่อนสวดไปต้องสวดนาน่ะบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้สวดจนกระทั่งมันเมื่อยปากเมื่อยมันอยากจะหยุดสวดนั่นแหละอ่าตอนนั้นก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามต่อไปจากคุณรุ่งรักนะครับเดินจงกรมเดินเร็วกับเดินช้าต่างกันอย่างไรฟะอ้าวเดินช้ามันก็ช้าเดินแล้วมันก็เร็วมันมันเหมือนกันตรงไหนแลรงนี้เขาจะเรียกว่าช้าหรือเร็วได้ยังไงเดินเร็วก็วิธีแก้ความง่วงบางทีมันง่วงก็เลยเดินให้มันเร็วหน่อยอเดินช้าก็แบบเดินสบายสบายไม่รีบร้อนอไม่ ไม่ง่วงก็ไม่ต้องไปเดินเร็วก็ได้เดินแบบสบายสบายต้อถามต่อไปแต่คุณสองสรีนะครับขอคําชี้แนะในการดับกิเรสตัวริษยาที่เป็นทุกทุกครั้งที่เห็นหรือรับรู้เกี่ยวกับคนที่เป็นต้นเหตุก็ให้คิดว่าการกระทําของเขาสิ่งที่เขาได้รับมันก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเขา เราทำดีเขาก็ได้ดีเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ดีงั้นเราจะไปมองเขากับเราว่าเหมือนกันไม่ได้เรามักจะไปมองเขาว่าเหมือนกับเราหรือเรามักจะมองเขาว่าเราดีกว่าเขาแต่เวลาเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราเรากลับไปอัดทิศยาเขาเราไม่มาดูที่เหตุของเราว่าทำไมเราถึงไม่ได้ดีเหมือนเขางั้นต้องต้องดูที่เหตุที่ผลต้องยอมรับว่า ใครเขาได้อะไรมันก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเขาซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ว่าเขาได้ทาอะไรมาบ้างกับใครอย่างไรถึงทาให้เขาได้รับผลอย่างนี้งั้นให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของผลบุญไปก็แล้วกันหรือผลผลบุญผลการกระทาอะไรต่างๆที่เขาได้ทามาในในอดีตที่เราอาจจะเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างก็ได้ นั้นเราถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ลิสยาไข่คำถามต่อไปะจะคุยจีรายุนะครับผมปฏิบัติแนวทางเพื่อความหลุดพ้นแรกแรกเริ่มสวดมนต์หลักหลังหลังนั่งสมาธิแต่ช่วงนี้เน้นดูจิตจะมีโอกาสหลุดพ้นพ้นทุกได้ไหมครับถ้าตัดกิเลสได้ก็หลุดได้ถ้าตัดความโลภความโกรธความหลงได้ตัดความอยาก สามประการได้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เป็นเป้าหมายของการหลุดพ้นการรักษาสีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้อ่าให้เราได้ผลตัวที่จะได้ผลก็คือตัวที่เราคือการทำลายกิเลสตัณหา เมืนกัรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีแต่เราไม่มาปลูกบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่บ้านมันก็ไม่ขึ้นมาได้มีเรามีขวานมีมีอะไรมีเลื่อยมีค้อนมีตะปูมีวัสดุสร้างบ้านเงี้ยแต่เราไม่เอามาสร้างบ้านมันก็ไม่ได้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่เราไม่เอามาฆ่ากิเลสมันก็ไม่หลุดพ้น เวลาเกิดกิเลสเราต้องฆ่ามันต้องทำลายมันต้องทำลายด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ถ้าเราไม่ไดเอามาฆ่ากิเลสมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่หลุดพ้นได้เน้นต้องฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถึงจะหลุดพ้นได้คำถามต่อไปจากคุณธัญไม้นะครับ จิตที่วางเฉยกับจิตปกติเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ่ะจิตปกติของพวกเรานี่มันก็ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่เมื่อกี้เห็นงูปั๊บนี่ชังนะกลัวขึ้นมานะถ้าจิตของผู้ที่สงบที่เป็นอุเบกขานี่เขาจะเฉยเฉยเขาจะไม่ชังไม่กลัวไม่รัก <c oughs> ต่างกันตรงนั้นจิตปกติก็ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่ แต่ yeah, จิตที่สงบหรือจิตที่เป็นอุเบกขาใช่ไหมเมื่อ mm hmm. กี้ก็ถามจิตอะไรนะจิตจิตที่วางเฉยกับจิตปกติจิตที่วางเฉยก็คือจิตที่เป็นอุเบกขาที่ได้ที่เป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิจิตรวมแล้วจิตก็จะวางเฉยได้อย่างแทง้จริงตอนนั้นก็จะไม่มีความนักชังกลัวหลงแต่อย่างใด mm hmm. เห็นแหวนเพชรก็จะเฉย เห็นอุจจาะก็ไม่ชังเ ห, เห็นว่าเหมือนกันเป็นภาพเป็นรูปเหมือนกันแต่ถ้าถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี่เห็นอุจจระก็จะรังเกียจเห็นเพชรก็จะอยากได้อยากก็รักขึ้นมาเห็นงูก็กลัวขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนนท์นะครับขณะพิจารณาพระไตรลักษ ว่าด้วยการพิจารณาทุกขวเวทนาด้วยเวทนานุปัสนาปิติสามารถจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับด้วยขณะที่พิจารณาเวทนาอยู่นั้นสามารถวางเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นอุเบกขาวเวทนาแทนทุกขวเวทนาได้ก็ดูอาการปวดทนอยู่ไม่ได้แทนครับคาถามคือ คำถามคือขณะพิจารณาพระไตรลักษณ์ว่าด้วยการพิจารณาทุกเวทนาด้วยเวทนานุปัสสนาปิติสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับถ้ามันสงบมันก็เกิดปิติได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเล็กนะครับหลังจากนั่งสมาธิแล้วมาพิจารณากายเวทนาจิตได้ไหมคะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนคะค่ะ ก็เวลานั่งสมาธิจิตสงบก็ไม่ไม่ให้พิจารณาอะไรให้พิจารณาหลังจากที่จิตออกจากความสงบแล้วกลับมาอยู่ในสภาพปกติคิดปรุงแต่งเนื่อต่างๆได้ก็ให้มาพิจารณาร่างกายเป็นเป็นส่วนแรกก่อนพิจารณาร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนพิจารณาว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยง ร่างกายเป็นดินน้ำนมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาอยังงี้ไปก่อนจนกว่าเราจะปล่อยไม่ร่างกายได้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่ไม่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราคิดว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำนมไฟอันนี้ถ้าผ่านร่างกายได้แล้วก็ไปพิจารณาเวทนาแล้วพอปล่อยวางเวทนาได้ก็ไปพิจารณาจิตต่อไปมันเป็นสามขั้นตอน กเรยนหนังสือก็เป็นระดับปิญญาตรีโทเอกอย่าไปทำทีเดียวพร้อมกันเอาทั้งสามปิญญาเลยเดี๋ยวมันจะสับสนแล้วมันจะทำไม่ไหวทำไม่ได้กำลังไม่พอต้องทำปิญญาตรีก่อนร่างกายนี้เป็นเหมือนปิญญาตรีเวทนานี้เป็นเหมือนปิญญาโทแล้วก็จิตนี้ก็เป็นปิญญาเอกมันเป็นขั้นของการปฏิบัติ แต่ถ้ายังสมาธิยังล้มลุกคุกคานอยู่ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาดีกว่ามาเจริญสติให้มีความชํานาญให้ให้คล่องตัวก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาแล้วค่อยปล่าออกจากสมาธิแล้วค่อยไปพิจารณาร่างกายทาทีละข้อไปไปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนไปกำจัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก่อน เราค่อยไปพิจารณาเวทนาเพื่อไปกําจัดความกลัวทุกขเวทนาแล้วก็ค่อยไปพิจารณาจิตเพื่อกําจัดความหลงต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในจิตต่อไปคําถามต่อไปจากคุณชัยยศนะครับอยากทราบว่าเวลาผมกราพระมันมีกิเลสตัวหนึง่งคอยจะออกมาตําหนีพระเป็นบางครั้งแต่ผมก็รู้ทุกครั้งที่มันแสดงออกมาพยายามบังคับไว้ และผมคอยตำหนิกิเลสตลอดบางทีมันก็ออกผมจะบาปไหมครับต้องแก้ไขยังไงครับไม่บาปหรอกคืออย่าอย่าไปสนใจมันเด้อ ก, ก็ด่ามันบ้างก็ได้มึงวิเศษกับพระแล้วนะามึงวิเศษกัะพระมึงไปกราบทำไมเอีก็อย่าไปห้ามมันไม่ได้เราะมันอาจจะเป็นอคติของเราที่มันเคยปลูกฝังมาในใจ เนื้อเราอาจจะไปเห็นพระที่ไม่ดีเข้าแล้วเราก็เลยเวลากราบก็ไปนึกถึงพระที่ไม่ดีก็นะก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เวลาเรากลาบนี้ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าให้เราเลิกถึงพระธรรมคําสอนอันประเสริฐให้เราเลิกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใครก็ไปศึกษาประวัติของท่านถ้าศึกษาแล้วก็จะเกิดความประทับใจแล้วก็จะกราบได้อย่างสนิทใจ ที่เรากราบนี่เราไม่รู้เรากราบอะไรกันบางทีก็กราบไปอย่างนั้นก็อบอกให้กราบประการกราบพระพุทธพระธรรม istance, พระสงฆ์กราบไม่รู้ว่าพระพุทธเป็นใครไม่รู้ว่าพระธรรมเป็นอะไรไม่รู้ว่าพระสงฆ์เป็นอะไรงนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากราบนี้คืออะไรเหมือนกับเราเขาให้เราไปเอาเพชรมาเงี้ยแต่เราไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาก็ไม่มีความกระตือหรือร้นยินดียินได้เขาให้ไปเอามาก็เอามา แต่ถ้ารู้ว่าเป็นเพชรราคาร้อยล้านพันล้านนี่โอยจับที่มือสั่นไม่หมดกลัวมันจะหล่นกลัวมันจะหายเพรนั้นถ้าเรารู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเพชรราคาร้อยล้านพันล้านเราก็จะกราบอย่างสนิทใจคาถามต่อไปจากคุณจิรายุนะครับก็บผมเห็นภัยแห่งการเียนว่ายตายเกิดแต่ต้องใช้กายสังขารเพื่อทางานในทางโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติจิตไปด้วยมีโอกาสจะหลุดพ้นได้ไหมครับก็อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติมากมันก็มีโอกาสถ้าปฏิบัติน้อยมันก็ไม่มีโอกาสปฏิบัติมากก็คือก็ต้องหยุดทำงานหยุดทำงานแล้วก็มาปฏิบัติเต็มเต็มเต็มร้อยถ้าปฏิบัติไม่เต็มร้อยก็ยังไม่มีโอกาสที่จะหลุดได้นนี้คำถาม อ่าหมดตรงนี้มีใครถามอะไรไหมใครมาที่หลังอยากจะมีอะไรเข้ามาถวายหรือเปล่าถ้ามีก็เข้ามาได้ถ้าต้องการหนังสือหรือว่าต้องการถามอะไรก็ถามได้อ่า ม, มีซองเงี้ยมองนี้อ่าเอาสายซองไหมในกล่องกล่องสีเหลืองเนี่ยมาขึ้นมาสิ เป็นมันจัดการทำเองอถ้าต้องการต้องซื้อซีดีก็หยิบไปได้ การปฏิบัติจะได้ผลมากน้อยก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติเหมือนกับการทํางานะถ้าเราไปทํางานให้เขาอาทิตย์ละวันเขาจะให้เราเงินเดือนเท่าไหร่หถ้าเราไปทํางานที่ละเจ็ดวันนี่เขาก็จะให้เราเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันปฏิบัติวันละครึ่งชัวงง่วโมงแล้วถามว่ามันจะหลุดพ้นได้ไหมมันจะไปหลุดได้ยังไงมันไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์นี่ของพวกนี้นะ พอเหมือนกับทางออสเตรียโชคดีถูกระหวันที่หนึ่งขึ้นมาซื้อเพียงทลาดใบละห้าสิบาทใบละร้อยหนึ่งถูกทีสามล้านเนี่ยอันนีน้การปฏิบัติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลปฏิบัติมากก็ได้ผลมากปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับเราไปทํางานเป็นลูกจ้างเขาลองทําหยุดหยุดขาดขา ด, ขาดเป็นยุเขาจะตัดเงินเดือนแล้วป่ะ แล้วเขาเราเขาจะจ่ายให้เต็มเหมือนเหมือนคนอื่นที่เขาไปทำทุกวันนะถ้าปฏิบัติร้อยละห้าสิบผลมันก็แค่ร้อยละห้าสิบถ้าปฏิบัติเต็มร้อยผลมันก็เต็มร้อย ก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติมอนั้นเขาต้องไปบวชกันทำไมก็ก็ทำงานไปปฏิบัติไปก็บรรลุไปให้ก็สบายนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติกับการทำงานมันเป็นไปไปมันไปคนละทิศคนละทางกัน การไปทำงานก็ไปเวียนว่ายตายเกิดกันการไปปฏิบัติก็ไปออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมันคนละทิศกันเหมือนไปทิศเหนือกับไปทิศใต้ไปทิศใต้มันไปถึงไหนก็ต้องไปภูเก็ตสงขาโ่นหาดใหญ่ถ้าไปทิศเหนือก็ไปเชียงมงเชียงใหม่นั่นมันไปคนละทางจุดหมายปลายทางมันก็เลยไม่เหมือนกัน แต่ถ้าไปทั้งสองทางมันก็ขึ้นขนลงลงนะไปถึงเพชรบุรีก็กลับขึ้นมาเมืองชนมาถึงเมืองชนก็กลับลงไปเพชรบุรีใหม่มันก็ขึ้นขึ้ น, นลงลอย่างนี้ยมันก็ไปไม่ถึงไหนทนันทีไปทํางานแล้วก็มานั่งสมาธิออกจากสมาธิก็กลับไปทํางานใหม่มันก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงไปมีเข้ามาแล้วครับอ้าวเข้ามาว่ามาแต่คุณสุรีนะครับ อยากให้ครูาอาจารย์ช่วยแนะนําการฝึกสมาธิแก่เด็กๆค่ะเพื่อนําไปสอนลูกๆค่ะปัจจุบันปัจจุบันจะให้ลูกๆสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาโดยจะเน้นที่แผ่เมตตาค่ะไม่ทราบว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่คะวิธีแผ่เมตตาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าแผ่เมตตานี้แปลว่าทำํำยังไงถึงหมายถึงแผ่เมตตา อย่างตอนเช้าเดี๋ยวนี้เราบินธบัตเราเจอเด็กเราบอกว่าหนูยิ้มสินะยิ้มแล้วหนูจะสวย <Yeah. S 1> บางทีใส่บาทหน้าบึ่งองนี้เราอให้ยิ้มสินั่นแหละแผ่เมตตาเวลาอยากจะแผ่เมตตาเจอใครก็ยิ้มให้เขาหน้าบึ่งใส่เขามันไม่ได้แผ่เมตตาต่อให้นั่งสวดมนต์สัพเพสัตตาเวลาโหนตัวไปกี่ร้อยครั้งพันครั้งเวลาไปเจอกันก็หน้าบึ่งใส่กันนี้มันก็ไม่ได้แผ่เมตตา เวลาที่เรานั่งสวดมนต์แล้วเราแผ่เมตตาเรายังไม่ได้แผ่ก็ไงไหมเราซ้อมทำการบ้านซ้อมว่าเราต้องแผ่เมตตานะเราต้องยิ้มให้กับคนนั้นคนนี้นะงั้นถ้าอยากจะแผ่เมตต า, าเวลาเจอกันให้ยิ้มใส่กันอย่าแยากเขี้ยวใส่กันอย่าหน้าบึ้งใส่กันนี่คือวิธีแผ่เมตตาง่ายๆขั้นต่อมาก็ ก็มีอะไรก็แบ่งกันมีขนมก็แบ่งให้เพื่อนอย่า ก, กินคนเดียวอย่าแย่งกันถ้าถ้าเพื่อนเขาอยากจะได้เราอย่าไปแย่งของเขาถ้ามีของไม่พอแบ่งกันก็ให้เขาเอาไปนี่เรียกว่าแผ่เมตตาต้องอธิบายการปฏิบัติไม่ใช่มานั่งให้สวดสเปสตาเวลาหหนตุสวดไปก็ไม่เข้าใจความหมายเข้าใจความหมายก็ไม่รู้ว่าเวล า, าไปปฏิบัติจริงๆทำอย่างไร คำว่าเวราแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีเวรเวราแปลว่าเวรอาเวราแปลว่าไม่มีเวรต่อกันก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรกันเวรย่อมย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรกันถ้าเราอยากจะไม่มีเวรกรรมกับใครเราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาเขาด่าเราเราก็อย่าไปด่ากลับความหมายคืออย่างนั้นให้อภัยเขาไป ถ้าเราไม่ไปดา่าเขา Yours, เขาก็จะไม่กลับมาด่า เ, Remember, ười, market market. ๆๆเราอีกเขาด่าเราแล้วเราด่าเขาเขาก็กลับมาด่าเราอีกแล้วเดี๋ยวก็ตีกันแล้วเดี๋ยวก็ฆ่ากันแล้วตายไปชาติหน้าเจอกันก็เอากันอีกเนี่ยวมาเนี่ยเวลาเราเจอใครแล้วเราไม่ชอบที่หน้ากันแสดงว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันมาเวลาเราเจอใครแล้วชอบกันนี่ยล้เป็นบุญกันเป็นคู่บุญกันมาเคยร่วมบุญร่วมอะไรกัน นั่นวิธีแผ่เมตตาสอนเด็กก็สอนให้เขายิ้มนะหนูเจอใครให้ยิ้มนแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันนะอย่ากินคนเดียวแล้วอย่าแย่งกันะถ้าของมันน้อยก็ให้คนอื่นเข้ า, าไปเราอย่าไปแย่งกับเขาเนี่สอนง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่มานั่งให้สวดสเพสตาเวลาโหนตุสเปสตาบายาัชาโหนตุ ผู้อยญ่ยังไม่รู้อะไรสวดอะไรกันใช่ไหมอ่าแล้วก็คิดว่าแผ่เมตตากันแล้วยังไม่ได้แผ่อลไรนั่งเฉยๆอย่าไปแผ่อะไรกับใครต้องแผ่ตอนนี้อ่ตอนนี้เอาสตังค์มาถวายพระอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว<ม>ทําบุญในการทําบุญก็คือการแผ่เมตตา<ม>แบ่งปันกันช่วยเหลือกัน<ม>ให้ความสุขก่อแก่กันและกันเรียกว่าการแผ่เมตตา ต่อไปคำถานต่อไปแต่คุณพุทธิพันธ์นะครับผมทำสมาธิด้วยการมองรูปพระพุทธรูปได้ไหมครับการมองมันมันจะทําให้จิตออกข้างนอกเราต้องการดึงจิตเข้าข้างในเราต้องปิดทวารปิดตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไปโศกออกไปข้างนอกทวารเดี๋ยไม่ต้องปิดแล้ ว, ต, วตัวตานี่สําคัญเพราะเปิดตาปั๊บจิตมันพุง่งพวยออกไปเลย ส่วนหูนี่มันเฉยๆมันรับมันรับแล้วมันไม่ออกไปก็ได้มันถ้ามันอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ไม่สนใจกับเสียงแต่ตานี่ไม่ได้เพราะเห็นอะไรปุ๊บมันไปเลยเห็นเห็นเพชรนี่มันวาวขึ้นมาเลยเห <c oughs> ็นเวลานั่งสมาธิควรจะปิดตาเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้จิตออกข้างนอกเราต้องการดึงจิตเข้าข้างใน คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นลูกควรจะพิจารณาหรือไม่ว่าลูกควรจะพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดตรงไหนมันไม่มีตัวตนหรือว่าไม่ต้องพิจารณาอะไรท่องพุโทโธอย่างเดียวครัก็ได้สองอย่างถ้าท่องพุโทโธอย่างเดียวก็จะใช้สติระงับชั่วข่าวระงับความทุกข์ ที่เกิดจากการมาเจอทุกขเวทนาแต่ถ้าใช้ปัญญาก็จะระ ง, งับอย่างถาวรถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของทุกขเวทนาว่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้และเราทำใจปล่อยวางให้มันให้มันแสดงไปโดยที่เราไม่มีความอยากให้มันหายไปใจของเราก็จะหายทุกขเราก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างสบาย อันนี้ก็เป็นวิธีของปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้ก็จะก็จะหายจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะเจ็บจะขณะรุนแรงขนาดไหนใจก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้ายัางใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ได้ก็ใช้พุทโธไประ ง, งับความอยากไปชั่วข่าวก่อน ระงับความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปพอเราระงับความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้สถามต่อไปจากคุณวิวัล น, นะครับก็าอาจารย์คะดิฉันจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าครับ คือเวลาไปทำบุญแล้วมันเฉยๆมากไม่ค่อยศรัทธาในตัวพระเลยดิฉันจะทำบุญด้วยวิธีไหนที่จะทาให้ใจไม่คิดอาคุล ก, ก็ไปทาบุญกับพระที่ดีสิพระก็มีเหมือนสินค้านะ่ะสินค้าดีก็มีสินค้าไม่ดีก็มีเวลาไปซื้อของปลอมมาเราก็ไม่มีอารมณ์แต่ถ้าเราไปซื้อของแท้มาเราก็ดีนี้เราก็ต้องรู้จักเลือกสินค้า รู้จากเลือกพระถ้าเราอยากจะทําแล้วทําให้เราเกิดปิติเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราได้ไปพบกับพระแท้เราถ้าทาบุญกับท่านเราจะมีความรู้สึกปลาบปลื่มใจมีความสุขใจเพราะเราเห็นการปฏิบัติของท่านการดําเนินตนตามสั่งคําสอนของท่านมันมันประทับใจทําบุญกับบุคคลเหล่านั้นแล้วมันทําให้เรามีความสุข แต่ถ้าเราไปทําบุญกับคนที่ท่าทางเป็นลิงเป็นข้างนี้มันก็ทําแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็เหมือนกับไปทําบุญกับลิงกับข้างอะเอาอาหารไปเลี้ยงลิงมันดัง <c> น <oughs> ั้นก็ต้องเลือกเนี yeah. ่ยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ไปสนใจคนที่เราเราทําบุญด้วยเอเขาจะเป็นใครดีชั่วมไม่สนใจก็อยากจะให้เขามีความสุขแผ่มเมตตาให้เขาให ไยบาดให้เขาให้อาหารเขาไปเราก็ยังมีความสุขได้แต่เราแต่เราจะไม่ได้ความประทับใจเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาก็ดีไปบางทีเราช่วยเหลือคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาดีช่วยเช่เวลาน้ำโตน้ำท่วมไฟไหม้เราก็ซื้อขา้าวซื้อของแล้วก็ไปแจกให้คนที่ก็เดือดร้อน ซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้แต่เราไม่ไปสนเราไม่เราไม่ไปสนใจเราสนใจตรงที่เห็นว่าเขาเดือดร้อนแล้วเราอยากจะช่วยเหลือเขาการใส่บาตรภาคก็ควรจะมองอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็คือท่านเดือดร้อนท่านไม่มีอาหารกินท่านถึงต้องมาบิณฑบาตเราก็ซื้ออาหารใส่บาตรให้ท่านไปเหมือนคนที่เจอน้ําท่วมไฟไหม ก็สายถ้าทำอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปคิดว่าเขาจะต้องเป็นพระอย่างนู้นพระอย่างนี้แล้วพอไปเจอเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่เกิดศรัทธาคถามต่อไปจากคุณทัญมัยนะครับขณะฟังธรรมเกิดความชังกับคนคนหนึ่งทันเกิดดวงไฟสีแดงดวงเล็กขึ้นแล้วดับไปทันเกิดความคิดขึ้นมาทันทีว่านี่ไงสมุทยัย ไม่ทราบว่าสภาวะที่เกิดนี่คืออะไรเจ้าคะก็คือสภาวะก็สภาวะที่เกิดน่ะสิด้ายทำยังไงน่ะรู้ไว่าใช้ว่าใส่บาแบกหามถ้าเอาไปทำประโยชน์ได้ก็เอาไปทำประโยชน์ถ้าเอาไปดับความโกรธได้ก็ดีแต่ถ้ารู้แล้วก็ยังไม่สามารถดับความโกรธได้มันก็มันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การที่เราเห็นอะไรปรากฏขึ้นมานี้มันไม่ได้เป็นตัวสำคัญตัวสำคัญอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วประโยชน์ที่เราต้องการก็คือมาดับความทุกข์มาดับกิลเลสของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราไปดับความโลภความโกรธความหลงได้ก็ดีคำถามต่อไปจากคุณเคมิกานะครับ เวลาทําบุญโดยการโอนเงินไปเราสามารถอุทิศบุญได้ทันทีเลยไหมคะและใส่บาทแล้วพูดอุทิตบุญเลยโดยไม่กรวดน้ําได้ใช่ไหมครับได้ทําบุญมาแล้วก็อุทิตได้เลยแล้วไม่ต้องให้ผ้ามาสวดไม่ต้องมีน้ำํำองค์ประกอบสําคัญก็คือการเสียสละของเราพอเราเสียสละมันก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีน้ํามากวด ไม่ต้องรอพระมาสวดสามารถที่จะอุทิตได้ทันทีเลยสมัยนี้ยุคไฮเทคเนี่ยพอกดเส้นพอกดส่งปั๊บก็ขอทิศส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไปได้เลยรวดเร็วทันใจจากคุณหย่งฟ้านะครับเมื่อเวทนาเกิดพิจารณาว่าความทุกข์เกิดจากขันห้าปรุงแต่งทำให้จิตเราไปหลงยึด ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่อย่างไรจะเรียกว่าเจริญปัญญาได้ไหมครับก็ถ้ามันทำให้เราปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายได้ก็เป็นปัญญาคำถามจากคุณอุบาสิกาครับคาถามนี้คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเคยถามมารอบนี้นะน ะ, ะเปลียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยฟังท่านหลวงตามหาบัวเทศถึง เคยฟังท่านหลวงตามหาบัวเทศถึงท่านเคยสงสัยในบาปบุญมรรคผลนิพพานได้เรียนถามพระอาจารย์มั่นจึงหายสงสัยหลวงตามหาบัวเคยเล่าให้ท่านฟังไหมคะว่าหลวงปู่มั่นตอบอย่างไรคะออก็ไม่ไม่เคยเล่าลอยเลยนาะก็เพียงแต่ว่าท่านก็ยืนยันให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ท่านว่ามีจริงแค่นั้นเองบาปมีจริงบุญมีจริงฮแล้วเมื่อได้รับคํายืนยันจากคนที่เรา เชื่อว่ารู้จริงเห็นจริงเราก็เราก็หายสงสัยเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยถามตาบอดถามคนตาดีว่าตรง น, นั้นมีต้นไม้จริงไหมตรงนี้มีลําธารจริงไหมตา ก, ก็มีจริงเราก็หายสงสัยแต่ถ้าไปถามคนที่ตาบอดด้วยกัน ก, ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี <laughs> ่ยมันก็ทําให้ไม่หายสงสัยเหตุนันถ้าได้ไปฟังเทศฟังธรรมจาก บุคคลที่เราที่ว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วยืนยันว่าสิ่งที่เราสงสัยนี่มีจริงเราก็หายสงสัยได้หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวจะพให้พรนก่อนนะเผื่อใครอยากจะกลับเื่อได้กลับไปได้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 ราโสยทธาสพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตาลายยสุขีทีขายุโกผวะอภิวัฒนสีฤทตสังวุทธาปจายโนยะตาโรธรรมาวัานติอายุวันโสุขัง าล ม, ม, มาจากที่ไหนกันมาจากมยองครับมยอเมาปะไม่เคยม า, มมาที่นี่ครั้งแรกเลยรู้จักที่นี่ได้ไงไดูเฟซบุ๊กดไป yeah. ต, ดตามอยู่แล้วตามนิดหน่อยไม่ได้จะจำ เคยเห็นถ่ายทอดสดไหมเคยดูถ่ายทอดสดไหมครับเคยดูไม่แนะ่แต่บางทีก็สดบางทีก็ไม่สดอ่ะแต่แต่เวลาถ้าสองถึงสี่ก็สดนะเป็นตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่เช่นสร้างไว้ตรงนั้นอ่าหนังสือซีดีได้นะออะ่าตามสบายนะจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้อืม เดี๋ยวถ้าไม่มีคําถามรอคําถามก็อาจจะนั่งสมาธิไปสักพักก่อนก็ได้ตามใจไปเธอจะไปก็ไปไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะนั่งเพียงแต่พูดและพูดเอาไปก็นั่งได้เนี่ยตอนนี้ก็นั่งได้ไม่ต้องอาจจะนั่งก็นั่งได้ไม่ต้องรอเรานั่งด้วย ยังมีเข้ามาอยู่ใช่ั้มมีหนึ่งคำถามครับ า, ามเลยนะครับทำเลยนะจากคุณตัญหาเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหาจะผมดึงอารมณ์ปิติและอุเบกขาในสมาธิออกมาใช้ในปัจจุบันได้ไหมครับ เพื่อต่อสู้กับกิเลสจะเป็นประโยชน์หรือไม่ครับคือมันเป็นสิ่งที่เราดึงไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีเราจะไปดึงมันออกมามไม่มีต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยการเจริญสติแล้วนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้รวมแล้วมันก็จะได้อุเบกขาแต่อุเบกขามันก็จะจางหายไปเวลาที่เราออกมาออกมาจากสมาธิ ใหม่ๆมันก็ยังมีอยู่แต่มันจะค่อยๆจางไปเหมือนกับเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอเราออกมาจากตู้ใหม่ๆมันก็เย็นทิ้งไปสักระยะเดี๋ยวมันก็หายเย็นถ้าเราออกมาออกจากสมาธิแล้วเราอยากจะให้อุบเบกขานี i คงต่อไปเราก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดแม่้คิดไปในทางความอยาก หรือถ้ามีปัญญาก็คอยตัดความอยาเวลาเกิดขึ้นมาเราก็จะสามารถมีอุเบกขาอยู่ไปเรื่อยๆได้ตอนนี้ยูทู e เข้ามากี่คนละสาสิบสามแล้วสามร้อยสสองอันนี้ก็เป็นขาประจำ <S <S รู้สึกจำนวนจะอยู่ประมาณนี้สามร้อยถึงสี่ร้อย ใครไม่ถามอะไรก็ส่งมาได้นะบอกว่าอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนภาพเสียงเป็นยังไงวันนี้ ม, มีคาถามจากผู้ฝักถามนะครับหนูได้ฟังประสบการณ์การปฏิบัติในช่วงเข้าพัรษาจากเพื่อนนักปฏิบัติหลายคนบอกตรงกันว่าการปฏิบัติแม้จะล้มลุกคลุกคานได้แม้จะล้มลุกคลุกคานแต่ก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์ แล้วพึกสู้ไม่ว่าจะเป็นการถามถ่ายการให้ช็อคโกแลตในวันที่ผ่อนหรืออดอาหารและการฟังเทศทาให้มีกําลังใจที่จะปฏิบัติเหมือนต้นไม้เหี่ยวเดียวที่ได้รับการรดน้ําให้ชุ่มเย็นเหมือนกับประสบการณ์ของหลวงพ่อที่เล่าในหนังสือมหาเศรษฐีแต่ประสบการณ์ของหนูกับแตกต่างกันตรงข้ามจากที่เพื่อนเล่ามาหนูไม่เคยได้รับกํบาลังใจหรือความสนใจจากครูบาอาจารย์เลย แถมรู้สึกท้อแท้และจิตใจห่อเหี่ยวแทบทุกครั้งที่เจอท่านแต่พอช่วงที่ไม่เจอแล้วฟังเทศเก่าๆหรือได้นั่งพิจารณทบทวนแตรตอง ว, ว่าสติตามไม่ทันกิเลสอย่างไรทำผิด ม, มีแค่นี้ฮะฝากถามมีแค่นี้ครับทุกท่านะ ก็แล้วแต่เข า, ขาอยากจะระบายแล้วก็ปล่อยเขาระบายไปคำ <c oughs> นามต่ปาจักรุณคุณหนูนะครับถ้าทำบุญใส่บาตรกับพระสองรูปด้วยของเหมือนกันแต่พระรูปหนึ่งเป็นพระแท้ส่วนอีกรูปเป็นเกียงสมบุติสงแต่ผู้ทำบุญไม่ได้ฟังธรรมจากพระทั้งสองรูป อ, อย่างนี้ผู้ที่ได้จากการใส่บาตรแต่ละรูปผู้ทำบุญจะได้รับบุญเท่ากันไหมคะ ได้ถ้าเสียสละมันอยู่ที่การเสียสละของเราเ ม, ม, มันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับบุญนี้เกิดจากการเสียสละของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปจะจะเป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นนกเป็นปลาก็ได้ได้บุญเหมือนกันได้ความเมตตาได้ความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ คุยหไม่ได้ฟังเขาพูดอะไรเราก็จะไม่ได้ของแถมท่านั้นเองถ้าได้คุยกันก็จะได้ของแถมกลับมาถ้าคุยกันนกมันก็ร้องจิบจิบจับจับให้เราฟังะถ้าคุยกับหมามันก็เห่าฮ้องฮ้องให้เราฟังถ้าคุยกับพระถ้าพระมีธรรมท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟังถ้าพระไม่มีธรรมท่านก็แสดงกิเลสให้เราฟังะมันก็แล้วแต่อันนี้เป็นของแถม แต่บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันนี้มันได้ทันทีไม่ว่าใ ค, ใครเป็นผู้รับไม่สำคัญสบายนใะจเย็นๆไม่รีบร้อนเลยไม่มีคำถามก็นั่ ง, ฉงเฉยๆมีรายงานไหมมาจากประเทศไหนบ้างมีนิวซีแลนด์คําถามต่อไปจากคุณเบิร์ดนะครับ ความโศกเศร้าวความเหงาในจิตใจเกิดจากอะไรคะต้องวางจิตอย่างไรหรือแค่รู้ตามดูแล้ววางคะเกิดจากความอยากอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่มีมันก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าพอมีเพื่อนปับ๊บดีใจขึ้นมามีพอมีสิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมามันก็ดีใจเนี่ยถ้าอยากจะทําให้มันไม่โศกเศร้าก็ต้องทําใจให้สงบดังนั้นมันถึงจะ หายถ้าเรานั่งสมาธิใจสงบใจหยุดความอยากได้ความรู้สึกว้าเวเศร้าส้อยงอยเงามันจะหายไปคาถามจากคุณออฟนะครับมีช่วงหนึ่งฟังพระธรรมบท หลับตานอนฟังธรรมที่หลวงพ่อสดใจอ่านตอนกลางคืนที่หลวงพ่อสุใจอ่านตอนกลางคืนทุกคืนแล้วมันติดตื้นจันจนน้ำตาไหลหลังจากคืนนั้นตื่นมารู้สึกว่ามีอะไรไม่ทราบขอรุ้งใจเอาไว้มันเหมือนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นเวลาสามวันคือเฉยมากๆไม่โกรธไม่หงุดหงิดสามวันนั้นไม่ได้ดูทีวีและไม่อยากดูแต่วันที่สามดูทีวีแล้วเหมือนความเฉยรั่วออกมา อันนี้คืออะไรคะเจ็ดสงบไหมเจ็ดพอสงบเจ็ดก็มีความสุขมีความอิ่มก็เลยไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆอ่เข้ามาได้เลยมาขึ้นมาเลยขึ้นมาข้างมวนได้เลยเใี่ไปทางด้านหลังดีกว่าไหมด้านหลังจะสะดวกกว่าให้เขาถวายข้าวล้องก่อน อ, อยากจะถวายอะไรเข้าออขมาถวายได้เลยกำลังรออยู่พยายามาทางนี้หน่อยอย่าบางกล้องอย่าบากล้องพยาามทางนี้หน่อยอบางกล้องเห็นไหม มามาีอะไรจะถวายก็ถวายได้เอาวางไว้เลยวางไว้ไปวางไว้วางไว้มาตัาเที่ไหนกัน ปะการอ๋อมาจากที่นั่นโดยตรงเลยแล้วเนยครับก็มางานแถวเกตเวยก็ตั้งใจงานนงครับอ๋อค่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลยครับติดตามอยู่เลยครับก็เพิ่งเจอไม่กี่วันเมื่อวานวันก่อนเพิ่งเจอเลยมาเลยครับแล้วมาถูกทางเลยก็ลงอยู่ไงอาจะตามเจอ ้วมีแผนที่มีอะไรบ้ามีคร่าวๆในเฟซก็มีแผนที่ บ, บ, บ, บ, บ, บอกก็วนๆอยูอ่ก็มีหนังสือซีดีแจกอ่ะถ้าต้องการก็หยิบไปขยับไปไหนทางนี้จะได้ไม่บังกล้อง อ, อยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปนะ อ่าเป็นทั้งชุดเลยครับไปมีคําถามเข้าไหมครับ <subscriber> บ่าม <choose> like, <réussi> ีครับคำถามต่อคำถามต่อไปจากคุณเจดีนะครับเวลานั่งสมาธิเหมือนเราเครียดตลอดจัดทําอย่างไรเลยก็อย่าไปสนใจเป็นธรรมดา เพราะว่าเวลานั่งสมาธิกิเลสมันจะต่อสู้มันก็เหมือนขึ้นเวทีเช่ากันกิเลสมันไม่ชอบอยู่เฉยเฉยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจให้เราสวนมนตไปก่อนก็ได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าสติเราไม่ค่อยมีเลยมันถึงเครียดถ้าเรามีสติมันจะไม่เครียดมานั่งแล้วมันจะสงบ ยิ่งถ้าไม่มีสติแล้วพุโทโธไม่ได้ก็สวนมนต์ไปก่อนสวนไปจนกว่าจะรู้สึกหายเครียดเบาใจสบายขึ้นแล้วค่อยพุโทโธต่อไปเป็นปกติของคนที่เริ่มเริ่มหัดใหม่ๆมันจะเครียด ร, ระถานต่อไปจกคุณพระศิล น, นะครับการใส่บาตรเช่นที่พระอาจารย์และพระสงฆ์เดินบิณฑบาตเราสามารถตั้งจิต การใส่บาตรนั้นเป็นการถวายสังฆทานได้หรือไม่ครับปกติพระปาฏิหาริยของที่ถวายก็เป็นสังฆทานท่านจะมาแบ่งกันท่านจะไม่เอว่าเป็นของส่วนตัวเป็นของส่วนรวมมาแบ่งกันก็เอว่าเป็นสังฆทานคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวิสต้อนะครับผมคิดว่าผมควบคุมอารมณ์โมโหไม่ค่อยอยู่ต้องทําอย่างไรครับก็ต้องมีสติเอสติเป็นเหมือนเบรก ถ้ามีเบรคมันก็จะควบคุมอารมณ์ได้เน้นต้องพยายามั่นฝึกสติเรื่อยๆหมันพุโทโธไปเรื่อยๆคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณกันตะพล น, นะครับสุขสุขจากสงบใจต่างจากสุขจากการได้ตามความอยากอย่างไรครับเืิดสุขจากความสงบมันทําให้เราอิ่มเราพอแต่สุขจากการทําตามความอยากทําให้เราหิวทําให้เราอยากได้เพิ่มขึ้น มันจึงไม่รู้จักอิ่มมาจากพอมันก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขใจนี่มันทำให้เราอิ่มทำให้เราหยุดหาทำให้เราไม่ต้องการอะไรทำให้เราอยู่เฉยๆได้ทำให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเงินไหวตายเกินได้คาถามต่อไปจากคุณขวัญ น, นะครับการถอนความยึดมั่นถือมั่นยากและต้องใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะหมดลงจากคนคนหนึ่งได้ พระอาจารย์ช่วยแนะนําทีเถิดข้าว่าจะตัดใจจากความผิดหวังจากความรักได้อย่างไรไม่ให้เจ็บมากคะ่ะก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างสติแล้วก็สร้างสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาแล้วต่อไปมันก็จ ะ, ะตัดอารมณ์ต่างๆได้ตัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ตอนนี้เราไม่มีเครื่องม้เครื่องมือเหมือนเราไปเข้าป่าแล้วเราจะไปตัดต้นไม้ไม่เอามีดไปะ มันจะไปตัดต้นไม้ได้ยังไงจะเข้าไปในปา่าก็ต้องไปเตรียมมีดไว้ก่อนพอมีมีดแล้วเราก็อยากจะตัดกิ่งไม้ตัดต้นไหนเราก็ตัดได้ตอนนี้เราต้องการตัดอุปทานตัดความยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องมีสีสมาธิปัญญาเราถึงจะสามารถตัดมันได้มีมีคำยูทูปเป็นภาษาอังกฤษอ่าเข้ามาเส้ Ajahn, even you follow precepts and concentrate your mind and try to develop wisdom all the time, why if this conventional world still don't support your life with free flow, why is this? l e l l a l o w c h n g c h n g l n g Even you follow precepts and concentrate your mind and try to develop wisdom all the time. Why is this conventional world still don't support your life with free flow? Why is this? Because the develop of the precept, s the concentration and wisdom is not to change the world, but is to change your attitude toward the world. Right now, your attitude toward the world is to rely on the world to bring you happiness, which will never happen. The world will always bring you both happiness and sorrow. So, the development of the precept and concentration and wisdom is to change your attitude, to not rely on the world for your happiness, to rely on your own self for happiness, by letting go of your reliance on the world. If you can let go of your reliance, your dependence on the world, then you will become peaceful and calm and happy all the time. You don't want to change the world. You cannot change the world by your practice. The practice is, is to change your attitude toward the world, to to develop a new kind of happiness for yourself. Once you have this new kind of happiness that arises from your practice, then you don't need the world to make you happy. Then it doesn't matter what the world might be. Okay. Question. Next, from you, from you one. m i n ไ a นนาา่ได o เป็นป e ะเด n นสําคัญ It's not a m a ใจจะเ s ็ e Mind a ม่เ o ็น can be or not. It's not a major issue. The major issue is the body, metta, and the emotions that are in the mind. ที่เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราคำถามต่อไปจากคุณนางฟ้านะครับยวมบริการพุทโธมาสักพักหนึ่งนั่งสมาธิเดินจงคงเกือบทุกวันแต่ไม่ถึงชั่วโมงและเจริญสติตามรู้กายตลอดวันผลที่ได้คือ จิตใจจากแต่ก่อนคิดฟุ้งซ่านกลัวแก่เจ็บตายกระวนประวายจิตตกสุขภาพแย่ลงเปลี่ยนเป็นวางเฉยจิตไม่ไปผุดคุยอดีตที่เคยทํากรรมมาให้ใจเป็นทุกข์มองเห็นชีวิตทุกชีวิตแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่จะต้องเจอกับทุกคนอยากทราบว่าโยมเดินถูกหมายเจ้าค้าแล้วต้องทําอย่างไรต่อเพราะอยากจะหลุดพ้นแต่ตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกก่อนทําให้ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ครับ ก็ถูกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าต้องทําให้มันได้จริงๆต้องปล่อยได้จริงๆแต่ต้องไม่ทุกข์กับอะไรเลยไม่ทุกข์กับลูกไม่ต้องทุกข์กับตนเองไม่ต้องทุกข์กับอะไรต่างๆพร้อมที่จะให้ความตายปรากฏขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเกิดกับใครเกิดกับเราเกิดกับลูกเราจะไม่วิตกไม่กังวลถ้าเราตายลูกเราไม่มีใครเลี้ยงดูเขาก็ ตายตามกันเรื่องของเขาเขาอยู่ได้กันเองของเขาแต่เรายอมรับว่าความตายมันเป็นของทุกคนทั้งของเราทั้งของลูกเราทั้งบุคคลต่างๆนั้นเราไปกังวลว่าเขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้มันไม่เป็นประเด็นสําคัญถ้าเราเห็นว่าทุกคนต้องตายอยู่ดีมันก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการการอยู่การตายพเพราะเอยู่ก็ตายอยู่ดีเพียงแต่ตายช้าตายเร็วท่านเอง คำถามต่อไปจะคุณไปวัดนะครับจากเรียนถามว่าเวลาจิตได้ปัญญาจัดสังเกตหรือรับรู้ได้อย่างไรครับก็จิตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะปล่อยวางไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใหญ่ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรคําถามต่อไปจะคุณพักกร น, นะครับทําอย่างไรจะมีความเพียรต่อเนื่องเจ้าคะก็ให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อย แต่คุณวิวัล น, นะครับดิฉันฟังธรรมมากมายจึงรู้สึกว่าอารมณ์นั้นอารมณ์มันไม่ค่อยยินดียินร้ายต่อโลกและสังคมแต่ดิฉันยังมีความรักโลกปวดหลงอยู่แต่พอห้ามใจได้และเลือกทําบุญและจะทําตามเหมาะสมดิฉันพอจะมีบุญบ้างไหมครับ<อ>แต่ดิฉันฟังแทศทุกวันค่ะดิฉันพยายามทําความดีอยู่ค่ะก็มีเนี่ยการฟังธรรมการทําความดีก็เป็นบุญ ได้ทําให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั่นเองต้องพยายามทําไปทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นอันนี้เป็นคําถามจากผู้ฝากถามนะฮะที่ที่บนมาเมื่อกี้ะะอะบนต่อะครับเป็นเรื่องผิดปกติไหมคะที่การฮึดสู้ปฏิบัติเพื่อเอาชนะพิเลสคิดว่าต้องสร้างกําลังใจจากตัวเองด้วยการที่คิดว่าเราต้องปฏิบัติเพื่อให้เราพ้นทุกข์ไม่ต้องรอกําลังใจจากกูบาอาจารย์ เพราะอาจจะผิดหวังได้หากท่านไม่สนใจให้กําล bon ังใจก็เขแม่กําลังใจเราก็ต้องให้กําลังใจเราเองสิไปขอเขาเขาไม่ให้เราเราก็ต้องหาแหล่งของเราเองพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครให้กําลังใจของท่านท่านก็ให้กําลังใจตัวท่านเองนั้นกำลังใจมันเกิดขึ้นหลาหลายทางเกิดจากคนอื่นก็ได้เกิดจากตัวเราเองก็ได้เพรงั้นทางไหนที่มันทําให้เราเกิดกําลังใจเราก็เอามันทางนั้นไป อนนี้หมดแล้วครับเดี๋ยนั่งเฉยๆไปตักพักก็ได้ใครอยู่ที่ไหนรางงานมาบ้างสิอ ย, อยู่ที่ที่ททอังกฤษอ่านให้ฟังหน่อยนี่มีใครอ่านไปเรื่อยๆไหมครับมีไหมพัทยาชัดแจ๋ว คนนี้เขาดูนี่เขาอ่านข้อความตรงนี้ได้เปล่าได้ใช่ไหมได้ครับเขาก็สนทนากันได้ใครถามอะไรคนที่ดูก็สามารถตอบก็ไปได้เหมือนกันใช่ไหมส่งข้อความตอบกันได้ใช่ไหมมีสวิตแลนด์ไหมวันนี้มีนิวซีแลนมี <New Zealand. S 1> มีนิวซีแลนมีอังกฤษคอันนี้บอกขรดแกงข้าวและเสียงชัดมากอยู่กรุงเทพ ชัดเจนดีเมื่อกี้ภาษาเมื่อกี้ภาษาอังกฤษกตเขาบอกเขาบอกมาจากที่ไหนไม่บอกผู้เกตชัดเจนครับคำถามต่อไปนะฮะเมื่อก่อนนึกถึงความตายจะกกลัวแต่ไม่อยากนึกถึงแต่พอฟังว่าอาจารย์เทศบ่อยๆและเจริญมรณานาุสติเป็นประจำจะรู้สึกเฉยแล้วรวมนึกรวมถึงนึกถึงตอนที่ยาก และเญาและเราตายอยู่ทุกวันมันไม่กลัวแล้วอย่างนี้ต้องรอข้อสอบคือตอนคนที่เรารักและเราจะตายจริงๆว่าจะผัาจริงหรือไม่ครับใช่ตอนนี้มันยังเป็นการทำการบ้านอยู่ยังไม่ได้เจอข้อสอบของจริงอับของที่เราคิดมันไม่เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าเราไม่เสียหลักแล้วใครจะตายเราพร้อมแต่พอเจอข้อจริงๆมันอาจจะ เสียหลับได้เพราะกิเลสนี่มันร้ายกะบางทีมันซ่อนอยู่ mm. ก็ลองดูเกิดเราไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็ดูที่ว่าใจเราสะทกสะทานหรือไม่ถ้าไม่สะทกสะทานรู้สึกว่าเฉยก็แสดงว่าเราผ่านไม่ทุกข์ก็มันจะดูว่าผ่านไม่ผ่านก็จะดูตรงที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้เท่านั้นแหละเป็นผลสอบของพวกเรา การปฏิบัติข่พวมเรานี้ก็เพื่อไม่ให้ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งทั้งปวงถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังตกยังสอบตกอยู่คำถามต่อไปนะครับทาง y o u t u ไม่มีไม่มีคำถามเลยนะไม่มีคำถามเลยน คุณนูนะครับบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรครถ้าแปลความหมายมันต่างกันคําว่าบุญก็คือความสุขใจกุศลก็คือความฉลาดความรู้ความฉลาดนี่เรียกว่ากุศล ส, ส่วนบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจกุศลก็เกิดจากปัญญาเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดจากการพิจารณาธรรม จนเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราแล้วทำให้เราปล่อยวางได้เราก็จะได้บุญคือความสุขใจอี ก, อกต่อหนึ่งแล้วอาศัยกุศลมาสร้างความสุขใจการสร้างสร้างบุญนี้ความสุขใจมีสร้างได้หลายวิธีสร้างด้วยการทําทานนี่ก็เรียกว่าบุญวิธีหนึ่งสร้างด้วยการระ ง, งับการทบาบาปคือรักษาศีลก็ได้ความสุขใจวิธีหนึ่ง แล้วก็สร้างที่เกิดจากการทําใจให้สงบที่เรียกสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วสร้างที่การเจริญปัญญาก็อีกวิธีหนึ่งการเจริญปัญญาก็จะเป็นกุศลขึ้นมานอันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่ากุศลนี้จะสามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรการทําทานรักษาศีลการนั่งสมาธินี้ดับได้ชั่วคราวไม่ถาวรเพราะไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ คือความหลงความหลงทำให้เราเกิดความอยากความอยากทำให้เราเกิดความทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาก็จะหายหลงหายหลงก็หายอยากก็หายทุกข์คถามต่อไปจะคุณไปวัดนะครับถ้าสินตลองถ้าสินต้อ ง, องหรือด่างพร้อยจะกระทบกับสมาธิมากไหมครับคือมันก็เป็นการสนับสนุนกัน เหมือนถ้าบ้านเรานี่ถ้าเสามันยกเยกเนี่เวลาเดินมันก็อาจจะหังได้หรือเดินแล้วมันสึกโยบยาบยบยาบเนี่ยศีนก็เหมือนกันศีนก็เป็นเหมือนเสาทีป่ประคับประคองตัวอาคารเนี่ยแล้วก็เสาก็ประคับประคองตัวหลังคาเนี่ยมันมีมันมีมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันท่านถึงแสดงว่าศีนนี่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นผู้สนับสนุนให้จิตดุจทนจากความทุกข์นี่ทำเหล่านี้มันเป็นธรรมที่สนับสนุนกันถ้าธรรมที่สนับสนุนมันไม่แข็งแรงมันก็ไม่สามารถสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการได้เช่นเราจะปลูกอาคารอย่างเงี้ยปเสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือทํารากฐานก่อนดินต้องแข็งก่อนดินต้องรองรับน้ําหนักตัวอาคารได้ ถ้าเราต้องการสร้างอาคารยี่สิบชั้นแต่ดินมันรับได้แค่แค่สิบชั้นเนี่ยถ้าสร้างเกินสิบชั้นเดี๋ยวมันก็พังลงมาแล้วมันก็ต้องมันต้องพมันต้องมีเต็มที่ทึงจะสนับสนุนกันได้เป็นเต็มที่ถ้ามีห้าสิบก็สนับสนุนได้แค่ห้าสิบเหมนถ้าเรามีกําลังรากฐานมันสามารถปลูกอาคารได้แค่สองชั้นมันก็ได้แค่สองชั้นถ้าปลูกสูงกว่านั้นมันก็พังลงมา ศีนถ้ามีแค่สองชั้นก็ได้แค่สมาธิแค่สองชั้นปัญญาแค่สองชั้นถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็ต้องก็ต้องสร้างศีลให้มากขึ้นถ้าศีลเบอร์สุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ทาให้มีสิทธิ์ได้สมาธิร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีสมาธิร้อยเปอร์เซ็นก็สามารถได้ปัญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ปัญญาร้อยเปอร์เซก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ร้อยเปอร์ซต จะคุณอ๋อนะครับจะทํายังไงให้ปล่อยวางกายและเวทนาได้จริงๆครับก็ต้องปฏิบัติถิญสมาธิปัญญานี้ไปต้องฝึกเจริญสติให้มากๆเพื่อจะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิก็มาพิจารณาว่าทุกอย่างไม่ใช่มีไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของเราถ้าพอมีปัญญาแล้วก็จะตัดได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาทําบุญอธิษฐานว่าขอให้พ้นทุกข์ขอให้มีมหาสติมหาปัญญาได้ไหมครับขอได้แต่มันไม่เกิดหรอกการอธิษฐานนี่เราเข้าใจผิดคือคําว่าอธิษฐานนี่มันมีความหมายสองคำความหมายความหมายหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ความตั้งใจสร้างเหตุไม่ได้มาขอผลเพราะผลมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองผลมันเกิดที่เหตุ ถ้าเราอยากจะได้เงินก็ตั้งอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าได้ได้ทํางานทุกวันนี้ไม่ขาดงานเดี๋ยวเงินมันก็เข้ามาเองแต่ถ้าไม่ไปทํางานแล้วก็นั่งอธิษฐานขอให้มีรายได้เข้ามาขอไปจําน้นตายมันก็ไม่เข้ามาแต น, นเวลาจะอธิษฐานท่านสอนให้อธิษฐานที่เหตุแต่ขอให้เราได้ทําบุญทุกวันขอให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ขอให้เราได้นั่งสมาธิตลอดเวลา ขอเราได้พิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆถ้าเราขออย่างเงี้แล้วเราทําตามที่เราขอเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นมาเองแต่จะไปขอให้ผลเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้สร้างเหตุนี่มันเป็นไปไม่ได้เัื่งขอให้เราสร้างเหตุแล้วผลมันจะตามมาเองคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณกันตพลนะครับการนั่งภาวนาครั้งหนึ่งเป็นเวลานาน กับภาวนาบ่อยแต่ระยะเวลาสั้นๆอย่างไหนถูกต้องหรือแล้วแต่จริตครับมันในที่สุดก็ต้องนั่งให้ได้นานเนี่ยมันถึงจะต่อเนื่องกันถ้านั่งสั้นๆมันก็จะมีกําลังน้อยกําลังแค่สั้นๆเแค่ชกยกสองยกก็หมดแรงแล้วที้มวยที่เราจะต่อยเนี่ยมันสิบห้ายกเราต้องหัดต่อยให้มันได้สิบห้ายกแต่ใหม่ๆก็เอาแค่ยกสองยกไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ ในที่สุดแมก็ต้องนั่งเป็นวันยาวเลยว่ามาคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแต่คุดแคที่นะครับดิฉันไม่ชอบไปทําบุญวันสําคัญทางศาสนาเพราะไม่ชอบคนเยอะและรู้สึกว่าของที่ทําบุญมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการถ้าดิฉันทําบุญวันธรรมดาจะได้บุญเท่าทําวันสําคัญที่เป็นวันพระใหญ่ไหมครับ ได้เหมือนกันมันไม่อยู่ที่วันอยู่ที่การเสียสละของเราคำถามต่อไปนะครับจากคุณจากคุณเชม น, นะครับในขณะที่ขับรถไปมีรถสวนมาในบริเวณห้ามแซงโดยที่รถเราไม่สามารถหลบได้และได้พิจารณาแล้วว่าต้องชนแน่ๆจึงได้พิจารณารอดข้างไม่มีรถตามมาจึงหยุด ร, รถลดลงรอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใจในขณะนั้นนิ่งมาก ความคิดไม่มีได้แต่มองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างเดียวสุดท้ายแล้วรถคันนั้นหลบเราไปได้นิดเดียวในขณะที่สองสาวันถัดมาขับรถไปแล้วมีสุนัข ก, กระโจนมาใจเต้นแรงมากเลยค่ะรู้สึกกลัวว่าเราจะไปชนเขาวตายเหตุใดใจที่มีต่อทั้งสองเหตุการณ์นั้นจึงต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเกือกรณีนหนึ่งอาจจะเป็นชีวิตของเราที่จะต้องเสียเราพร้อมที่จะเสียชีวิตของเราแต่เราไม่อยากจะไปทํำบา ไม่อยากจะไปให้สุนัขตายจากการการะทำของเรามันก็เลยมีความรู้สึกต่างกันชีวิตของเราเรายอมเราก็เลยนิ่งชีวิตของสุนัขเราไม่ยอมเราก็เลยไม่นิ่งรจริงๆถ้าอยากจะนิ่งก็ต้องปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมถ้าหยุดได้ก็หยุดหยุดไม่ได้มันจะถูกช น, นก็มันก็เป็นกรรมของมันไปแต่เรายังมีความอาคติยังไม่เหมือนกัน กับชีวิตเราเรายอมแต่เรายังไม่ยอมไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นว่ามา w e s t e n f r o m Chiang What is your advice to live people for all to live happy to live happy To happiness is within your mind yourself which arise from the practice of generosity uh, precepts uh, concentration and wisdom If if you want to have true happiness and have no sadness or sorrow, then try to develop charity, develop precept, s develop concentration of mind, and develop wisdom. Don't seek happiness from other things, because other things will only make you uh, disappointed or sad. Because everything will eventually come to an end. Everything will eventually. Uh, leave you, and you will be left alone and unhappy. So try not to rely on, on using your body for happiness, like going on going to parties, going to movies, going to holiday, going to places on your holiday. Instead, spend your money on charity. Keep the precept. And stay in a place quiet to concentrate your mind and develop wisdom. Then you will have another kind of happiness, the happiness within yourself, which is permanent, which you can keep and protect all the time. The happiness that you get from other things you cannot protect and keep all the time, because sooner or later, the things that you have will Will leave you, or you will have to leave them. Then you will become sad and lonely again. Where are you? Can you tell me where you are listening from? Please reply. Your location. คำถามจบสวัสดนะครับการการบริการพุทโธระหว่างนั่งสมาธิต้องคิดถึงคำนี้เสมอนานแค่ไหนอย่างไร หรือท่องตั้งแต่นั่งจนเลิกครับท่องตั้งแต่ก่อนนั่งเอท่องตั้งแต่ตื่นเลยพุดโธไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งก็พุดโธไปเรื่อยๆจําการจิตมันจะรวมมันจะตกหลุมตกบ่อไปนั่นมันก็จะหยุดเองถ้ามันยังท่องได้ก็ท่องไปอย่าหยุดนอกจากถ้ามันเหนื่อยมันไม่อยากจะท่องแล้วก็ดูลมเฉยๆก็ได้ดูใจเฉยๆก็ได้ดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่คิดก็ปล่อยให้มันนั่งเฉยๆไป คำถาต่อไปจากสังวุฒุโทนะครับต้องสึกเพ่อไปดูแลพ่อแม่เพราะอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นแต่แต่ไม่อยากสึกขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเอ่าหมายเงาส็กไปแล้วไม่เช่หรนอยังไม่สึกอย่างครับต้องต้องสึกพ่อต้องสึกพ่อต้องไปดูแลพ่อแม่เพราะอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นแต่ไม่อยากสึกเออขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะทําอะไรก็ทําไป ที่มันจะทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เรต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าอยากจะไปเลี้ยงพ่อแม่ก็ไปแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็อ น, นุญาตให้เลี้ยงพ่อแม่ได้ในขณะที่เป็นพระอยู่แล้วเช่นอาหารที่บิณฑบาตนี้ก็แบ่งให้พ่อให้แม่ได้ฉั้คิดว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุ ท, ที่จะพายเราศึกเศ ก, ก็คืออยากจะไปมีเมีย ม, มากกว่ายงแต่อ้างพ่ออ้างแม่พอไปศึกไปแล้วก็ อาจจะไปเลี้ยงพ่อบ้างแต่ก็ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไปไปเข้าผับเข้าบาร์หรือไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นเพียงแต่เป็นข้ออ้างซช่มากกว่าถ้า อ, อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆไม่ต้องสึกก็ได้เลี้ยงได้ในฐานะที่เป็นพระคุณเชอรังอกข้มาว่ามาจากศีลังกาอ๋อศีลังกาโอเค have you listen every day Have you been following this talk every day? We have this live broadcast every day. You can ask any question. y o น Charan, you've ever, when a few days ago, you've asked s o e questions o YouTube. Ah, y e h e you ever asked, ever e e v asked? Yes. Any more? s t i o n s When first I was ill, I was afraid of d e a which m a i d to แต่พอความกลัวหายไปจิตกลับไม่ค่อยอยากจะรวมมีวิธีแก้ไหมครับก็ไปหาที่มันกลัวๆนั่งมันก็จะรวมง่ายไปนั่งที่ป่าช้าไปนั่งที่มันหวาดเสียวที่มีพิษมีภายรอบด้านมันก็จะทำให้จิตมันไม่ไม่ดื้อมันจะทำให้มันเชื่องบอกให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์ที่ปลอดภัยมันก็จะดื้อ มันก็จะไม่กระตือรือร้นที่จะภาวนาพระป่าท่านถึงมักจะไปอยู่ในป่าในเขาไปหาที่ที่มันน่ากลัวกันเพื่อที่จะได้เป็นเป็นเป็นเครื่องมาช่วยกำหลับความดื้อรั้นของใจพอมันอยู่ที่กลัวนี่มันให้อยู่กับพูดโทมันก็พูดโทอย่างเดียวมันไม่กล้าไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้ามันอยู่ในที่ปลอดภัยเดี๋ยวก็วัดไปนู่นวัดไปนี่มันไม่รู้สึกว่ามีภัยอันตรายอะไร ต่เวลาคนที่เจ็บไา้ได้ป่วยนี่บางทีปฏิบัติทำดีกว่าตอนที่สุขสบายแล้วสุขสบายแล้วมันขี้เกียจแต่พอวลามันจะรู้ว่าอาจจะตายนี่โอโหมันขยันภาวนาขึ้นคำถามต่อไปจากคุณเนนเสียพิงนะครับมีด้วยหรือครับที่ว่าจะมีคนสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นยังไงทั้งที่เพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกก็สามารถบอกในสิ่งที่เราไม่ได้บอกเขาเลย โดยเขาคนนั้นอ้างว่ามีผู้บอกมาว่าเป็นพระเป็นคนบอกแสดงว่าคนคนนี้สื่อกับอีกพบหนึ่งได้หรือครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามก็ดูเลยเขาสื่อกันยังไงแต่คนบางคนนี้ถ้ามีพลังจิตนี้เขาสามารถอ่านจิตใจของเราได้หรือรู้อดีตชาติของเราได้เช่นพระพุทธเจ้านี่ท่านจะรู้ว่าชาติก่อนเราเคยทาอะไรมาเคยเป็นอะไรมา เหรือเรากําลังคิดอะไรอยู่ท่านก็รู้ว่ากํากำลังคิดอะไร อ, อันนี้คนที่มีพลังจิตสูงนี้จะสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นได้ำคำถามน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะอันนี้ไม่ไม่ขึ้นนะโอเคครับ อ, อ, อ, นนอันนี้ไม่ให้อ่านชื่อนะครับหนูปฏิบัติทุกวันถ้าไม่มีอะไรมากระทบใจก็สบาย แต่บางครั้งเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูใจจะมีอารมณ์กับสิ่งนั้นหนูจะต้องปฏิบัติอย่างไรในขณะนั้นเพื่อไม่ให้ใจหวันไหวกับเรื่องนั้นคะก็สองวิธีวิธีสติก็คืออยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงรูปหรือสิ่งที่มากระทบกับเราให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปแล้วใจก็จะสงบหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่า สิ่งที่มากระทบเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมาแล้วก็ไปอนัตตาก็คือห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจปล่อยเข้ามาปล่อยเข้าไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แล้วเราก็ทําใจได้เราก็จะไม่กระเทินใจเวลาที่เข้ามาหรือเข้าไปเราต้องหยุดความอยากหยุดความรักชังกลัวหลงให้ได้ ถ้าไม่มีความรักชงกังโกนของใจก็จะไม่รู้สึกสะเทือนแต่ยังยังสะเทือนใจอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีออเบกขาก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆให้ใจมีออเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นธรรมดาของต่างๆที่มาปรากฏเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราให้เฉยได้หมดแล้วนะหมดแล้วครับมเชื่อตอบเข้ามา I do all what you say, Ajahn, but still finding some unhappy times in this mental world. This is natural because you're only doing just part of the time. You haven't yet uh, completed your practice yet. If you keep practicing, eventually you'll come to the point where you can get rid of all your sadness and and unhappiness. And you will only have happiness like the Buddha and his noble disciples. So you just have to keep on practicing. Okay. Only okay. issue is a damn high language is the problem. Is the problem? But our other talks are very helping us to find t a i s You can listen to my talk in English in the. In the YouTube channel called Dharma in English, there are other talks in English that you can follow. I think there's no more question, so we will have to uh, complete this session, and we'll continue tomorrow. วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรารณาไปปฏิบัติ